เย็นวันนี้อากาศแสนดีมีลมพัดแรงเด็กน้อยสองคนชวนกันออกมาเล่นว่าวที่สนามเด็กเล่นเด็กคนหนึ่งชำนาญในการเล่นว่าวส่วนอีกคนเล่นไม่เป็นเลยเราลองมาฟังเขาพูดคุยกัน นายว่าเล่นว่าวนะ่ะยากไหมคนเล่นไม่เป็นถามไม่ยากหรอกเดี๋ยวจะสอนให้ตื่นเต้นจังเลยฉันนะไม่เคยพาว่าวขึ้นฟ้าได้เลยสักครั้งอืมเล่นว่าวนะ่ะต้องเป็นคนมีศิละปะรู้จักรอคอยเป็นต้องดูจังหวะดูเวลา ดูสถานที่ถึงจะเล่นว่าวได้ดีนายหมายถึงรอลมว่าวนะหรออีกคนถามใช่แล้วก็ต้องมีชั้นเชิงเล็กน้อยเวลาเอาว่าวขึ้นฟ้าลองดูนี่นะ เ, เด็กคนชำนาญสาธิตวิธีพาว่าวขึ้นฟ้า เ, เขาให้เพื่อนใช้สองมือจับ ว้าวชูวขึ้นสุดแขนพอลงมาคนถือเชือกก็วิ่งสุดแรงเกิดว้าวที่เป็นเพียงกระดาษแผ่นเล็กๆ เ, เริ่มทำท่ามีชีวิตแล้วค่ะมันสายหัวไปมาพร้อมกับเลื้อยขึ้นลงคล้ายงูจริงๆด้วย ขณะที่เด็กน้อยวิ่งมันก็เลือ้อยขึ้นแล้วก็สายหัวลงตามระดับแรงลมพอลมแรงมันสายหัวชูเตรียมจะขึ้นฟ้าแต่แล้วพอลมแผ่วมันก็ลอยต่ำลงขึ้นขึ้นลงลงอยู่สักพักจนเด็กน้อยเหนื่อยล้มกลิ้งลงนอนพักหัวรอกคิกคักกันอยู่บนพื้นสนาม เมื่อว่าวงูตกลงบนพื้นข้างๆมันมีเศษกระดาษสีขาวขนาดใกล้เคียงกันวางอยู่ข้างๆแม่เลยอยากสมมุติให้ว่าวงูกับกระดาษมีชีวิตบ้างจะได้ลองฟังว่ามันคุยอะไรกัน ว่าวงูกล่าวทักทายเศษกระดาษน้อยบนพื้นวัดดีขาวน้อยไงมานอนอยู่ที่นี่ได้ล่ะวัดดีจ้าฉันไม่ได้มาเองมีคนพามาทิ้งไว้แหละหน่าอิ่ฉาเธอจังที่มีเจ้าของพามาเที่ยวเล่นไม่ทิ้งขว้าง เศษกระดาษก็เล่าเรื่องราวของตัวเองให้ฟังด้วยความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจจนว่าวงูต้องหันมาปลอบขาวน้อยจ๊ะไม่เป็นไรหรอกนะมันเป็นเรื่องธรรมดาชีวิตก็เป็นอย่างนี้แหละมีขึ้นมีลงเลือกไม่ได้แต่เราเลือกจะมีความสุขได้นี่นาะ ฉันเองไม่เคยคิดว่าตนเองวิเศษตรงไหนก็เป็นเพียงกระดาษแผ่นน้อยๆเหมือนกับเธอเองนี่แหละดีหน่อยก็ตรงที่มีคนตั้งใจกำหนดให้ฉันเป็นว้าวเขาเลยวาดรูประบายสีแล้วก็ตัดฉันให้เป็นรูปร่างงดงามตามใจผูกเชือกแล้วก็สมมุติให้ฉันมีชีวิต ลากฉันขึ้นไปลอยอยู่ข้างบนพอสมใจก็สาวลงมาเก็บรอวันเล่นใหม่สาระเดียวที่ฉันต้องทำก็คือการเต้นระบำบนอากาศประดับท้องฟ้าให้จินตนาการความสุขแก่ผู้คนฉันก็เลยต้องทำตัวเองให้เป็นเหมือนเด็กน้อยที่ไม่ซุกซนว่านอนสอนง่ายก็เท่านั้น กระดาษน้อยฟังเพลินรู้สึกมีความสุขขึ้นมากเล่าให้ฟังบ้างสิว่าข้างบนนั้นน่าสนุกไหมเพราะฉันไม่เคยมีโอกาสได้ขึ้นไปโลดแล่นอยู่บนฟ้าสูงลิบล่วเหมือนอย่างกับเธอเลยอย่างดีพอลมพัดแร ง, แรง ฉันก็เพเยตัวขึ้นลอยและล่องเล่นลมเตี้ยี้ยพอสนุกยังไม่ทันอิม่มก็ตกลงมานอนแอวอยู่เหมือนที่เธอเห็นนั่นแหละแถมไม่มีใครสนใจใยดีฉันสักคนว้าวตอบว่าถามฉันว่าสนุกไหมไปถามคนเล่นดีกว่า ฉันเองอ่ะไม่เคยยินดียินร้ายที่ใครจะมาสนใจหรือไม่ก็ทำหน้าที่ของตัวเองไปแต่มันก็ดีอย่างนะเพราะจะได้ไม่ต้องทุกข์ร้อนเวลาถูกสาวลงมาเก็บไงก็แค่รู้ตัวดีว่าเราเป็นใครมีหน้าที่อะไร อย่านึกน้อยใจตัวเองไปเลยนะขาวน้อยเธอคงลืมไปละสิว่าเธอน่ะควรจะมีความสุขมากกว่าฉันซะอีกก็ตรงที่เธอมีอิสระเสรีเธอรอลมขึ้นแล้วก็ลงโดยไม่มีใครผูกเชือกสาวเธอไปมาเธอได้เล่นอย่างสมบูรณ์ ก็ต้องรู้จักยิ้มรับการตกอย่างสมบูรณ์เป็นด้วยสิขอบใจมากนะเพื่อนฉันรู้สึกมีกำลังใจและเริ่มมองเห็นข้อดีของตัวเองบ้างแล้วล่ะไม่เป็นไรหรอกดีใจนะที่ได้รู้จักเธอลมมาพอดีค่ะเจ้าของว่าวรีบวิ่งมาสาวเชือก ปลุกชีวิตงูน้อยขึ้นฟ้าอีกครั้งในขณะที่ขาวน้อยก็ลอยและล่องตามงูน้อยมาติดๆทั้งสองหันมาแรกรอยยิ้มโบกมือลาแล้วต่างแยกย้ายกันไปคนละทิศละทางอย่างมีความสุขข้อคิดจากนิทานเรื่องนี้คือ ความอ่อนน้อมถ่อมตนและการมองโลกในแง่ดีจะช่วยให้มีความสุขแต่เท่านั้นยังไม่พอค่ะผู้มีปัญญาต้องรู้จักมองโลกตามความเป็นจริงด้วยจงเรียนรู้ที่จะรู้จักและเข้าใจตนเองอย่างท่องแท้มันจะช่วยให้เรารู้จักคนอื่นได้ดีด้วยค่ะ ti ti ti ti ti ti e o